เวลาที่เรามาฟังธรรมะในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นจากรายการธรรมะนี้หรือรายการธรรมะไหนๆฟังธรรมะท่านผู้ฟังให้มีการปฏิบัติไปด้วยเพระาะว่าถ้าฟังแล้วมันก็จะติดอยู่ที่หูบ้างติดอยู่ที่สมองบ้างจะให้สิ่งที่มันติดอยู่ที่หูที่สมองมันเข้าไปสู่ใจได้จะต้องมีการปฏิบัติ คำว่าปฏิบัตินี้ก็คือการตั้งสติเอาไว้คือการน้อมระลึกเข้ามาสู่ใจทำไมถึงการตั้งสติคือการน้อมระลึกเข้ามาสู่ใจเพราะว่าใช้ใจนี่แหละเป็นตัวที่เอามาตั้งเอาไว้ใจนี่แหละเวลาที่เรามาระลึกถึงลมหายใจเมื่อไร่สติก็จะเกิดขึ้นทันทีใจที่มาตั้งอยู่ระลึกถึงอยู่กับลมหายใจ สติเกิดขึ้นนั้นสติก็อยู่ในจิตจิตที่มีสตินี้ไปรับรู้สิ่งใดๆดเป็นธรรมะที่ผ่านมาทางหูก็จะสามารถระลึกได้จำได้จำนี่คือจำจากสมองได้จิตมีสติระลึกถึงธรรมะนั้นได้มีภาษาผ่านมาทางตามีความรู้สึกคิดนึกผ่านมาในใจจิตที่มีสตินั้น ก็จะได้รับการรักษาจากพัสสักที่มากระทบไม่ว่าจะกระทบทางใจเป็นความคิดความรู้สึกเป็นวิตกวิจารเป็นเวทนาสุขบ้างทุกบ้างอยู่ในใจของเราจิตที่มีสตินี้สามารถที่จะรักษาตัวเองรักษาจิตด้วยสติเห็นจริงได้มากระทบท่านผู้ฟังมันก็จะทาให้เห็นตามที่เป็นจริงได้ ไม่เข้าไปเกลือกลัวไม่เข้าไปกำหนัดยึดถือในสิ่งที่น่าพอใจไม่เข้าไปขยักขยงังเกลียดชังรำไรรำกรญในสิ่งที่ไม่น่าพอใจมีสติรักษาแล้วสตินี้ทำจิตให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นนั่นเองคำว่าพ้นนั่นคื อ, คอวมมิมุตติเวลาเรามาปฏิบัติธรรมมารู้ดูลมหายใจของเราไม่ใช่ทำเฉพาะในเวลาที่จะ ก่อนฟังทำหรือในขณะฟังทำแต่ให้ทําอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราใช้เครื่องมือคือลมาหายใจของเราซึ่งมันมีการออกมีการเข้าอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ววันหนึ่งนาทีหนึ่งเนี่ยตั้งหลายรอบในแต่ละรอบให้เรามารู้ลมหายใจกันทีละครั้งสองครั้งทําได้แค่แม้ลัดนิ้วมือเดียวเดีาฟังลัดนิ้วมือหนึ่งนี่มันยัง เร็วกว่าสั้นกว่าหนึ่งลมหายใจด้วยซ้ํานะคุณหายใจเข้าหายใจออกครั้งหนึ่งดีดนิ้วมือนี่มันเสร็จไปตั้งสามสี่รอบแล้วเอาขอแค่ทําแค่ลัดนิ้วมือเดียวแต่ตั้งสติเอาไว้ในกายคือลมหายใจของเราเนี่ยแค่ลัดนิ้วมือเดียวทําได้แค่สั้นนิดเดียวชั่วงูลแลบลิ้นชั่วฟ้าแลบก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติตั้งขึ้นแน่นอนสติที่ตั้งขึ้นนี้มันจะค่อยแทรกค่อยซึม เจาะแทงได้คําว่าแทรกซึมเจาะแทงนี้คือหมายถึงมันจะทําให้เกิดปัญญาปัญญาที่จะเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสปัญญาที่จะเป็นเครื่องแทรกซึมทําให้ใจนั้นมีความชุ่มเย็นปัญญานั้นจะค่อยๆมีความกว้างขวางมีความเพิ่มมากขึ้นมีความว่องไวมีความคมมีความหลักแหลมได้พระปราชา์ได้เคยอธิบายถึงท่านพระสารีบุตรธรรมบวงที่ว่าเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิต มีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาราเริงมีปัญญาว่องไวมีปัญญาคมมีปัญญาหลักแหลมเหล่านี้ทั้งสิ้นเนี่ยเพราะว่าท่านมีสติตั้งเอาไว้มีสติตั้งเอาไว้แล้วเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงที่มันมีมาก็มีมาที่มันมีแล้วก็ดับไปเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของธรรมะต่างๆตามลาดับ ก็ทําให้ปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นเรามารู้ลง า, ายใจที่รักครั้งระครั้งทํามประวังเหมือนน้าฝนที่ค่อยๆ่ยหยดลงมาจากฟ้าเนี่ยมันก็ตกทีละเม็ดละเม็ดฝนเนี่ยไม่ได้ตกมาเม็ดใหญ่เท่าหม้อใหญ่เท่าตุม่มหรือว่าใหญ่เท่าแท้งน้ํามันไม่ได้เม็ดใหญ่ขนาดนั้นแต่มันก็ทีละเม็ดละเม็ดนี่แหละตกลงมาตกลงมาไม่หยุดไม่หยุดน้ําก็ท่วมได้ แต่ความรู้ความเห็นทีละน้อยเละาน้อยที่เราทําจากการที่เรามารู้ลมรู้ลมสติตรงนี้ทําสมาธิให้เกิดได้สติตรงนี้ทําปัญญาให้เกิดได้ทีละน้อยเละาน้อยก็ทําความคมในปัญญาทําความกว้างขวางใงปัญญาทําความมากในปัญญาได้ความมากในปัญญาที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือเป็นผู้ที่จะเห็นคุณของสิ่งต่างๆเห็นคุณของสิ่งต่างๆอย่างไรคือการปฏิบัติธรรมในธรรมวัง บางคนจะไปมองว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเสียเสียความสุขทางตาทางหูอย่ากรักษาศีลแดโอ้ยก็เสียที่จะไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้ไปรื่นเริงบิ่เติงใจไม่ได้ดูสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือถ้ารักษาศีลห้าแหมคุณนึ่งเขามีกิ๊กกันฉันก็ไม่มีฉันก็ต้องเสียกิ๊กเสียกอกสับใหม่เขาเลไม่รู้จะเรียกอะไรกันต่อไปแต่คือเห็นแต่ว่าตัวเองจะเสียอะไรแต่ถ้า เราตั้งสติเไว้และดูโลกหมายใจของเราให้ดีเราจะเห็นว่าจริงๆเราไม่ได้เสียอะไรไปเรามีแต่ได้ได้สิ่งที่เป็นความสงบบ้างอย่างเราที่บวชใหม่ๆเนี่ยถ้ามาคิดว่าโอฉันจะต้องเสียชีวิตความเป็นฆราวาสเนี่ยเสียเงินนะเงินก็ต้องสละออกถ้าแต่งงานมีลูกมา ก, ก่อนก็ต้องสละลูกสละเมียมันเรื่องเสียเสีๆเนี่ยเขาจะบวชอยู่ไม่ได้ใะฝังจะไม่สามารถที่จะอยู่ได้พระพุทธเจ้าเคยเปรยียบเทียบกับ คนจนเข็นใจไร้รับสมบัติมีรถปุโรทั่งอยู่กันหนึ่งบ้านก็หลังเก่าๆสมซ่อมีใยแมงมุมฝาบ้านก็มุงจากทะลุ ด, ด้วยภรรยาก็ไม่สวยฝันเห็นขี้เรนาข้าวที่มีก็เป็นนาแรง้งนาดอนมีหินมีก้อนกรวดเยอะพันธุ์พืชนี่ก็ไม่ใช่พันธุ์พืชดีแต่เขามาเล็งเห็นแต่ว่าโอ๊ยถ้าฉันไปบวชนะั้นต้องเสียสิ่งเหล่านี้นะถึงแม้มันจะไม่ดีแต่ ไม่ดีฉันก็ไม่ได้โอ้ยงั้นอย่าไปบวนเลยเพ่งเลงแต่ตรงที่ว่าตัวเองจะเสียอะไรเนี่ยมันจะบวนอยู่ไม่ได้มันจะปฏิบัติธรรมไม่ได้จะนำจิตให้มีความก้าวหน้าไม่ได้แต่คนที่มีปัญญามากตั้งบังสามารถที่จะเห็นได้ว่าโอ้จริงๆฉันไม่ได้เสียอะไรนะอย่างคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้เสียว่าโอ้ฉันเสียความสุขทางตาทางหูเสียเวลาที่จะไป นั่งหลับตาดูหนังตาไม่ได้เสียกินข้าวเย็นไม่ได้เสียจับมือกับคนนั้นคนนี้แต่ว่าดูว่าได้สิ่งที่เป็นสามัญญผลได้จากการที่รักษาศีลวะโอมันเป็นข้อปฏิบัติที่เดียวนของพระอริยเจ้าเราได้ตรงนี้มาได้คุณคือศีลได้สามัญญผลคือสมาธิสมาธินี่มีคุณอันใหญ่ทําไมก็ถึงมองได้อย่างนั้นว่าได้ตรงนี้มาเพราะมันมีคุณค่ามากกว่ากัน ถ้าเปรียบเทียบในคนที่ยังเปรียบเทียบไม่ได้ก็จะไม่เห็นไม่มีปัญญาแต่คนที่เปรียบเทียบได้เขาจะเห็นก็จะมีปัญญาตัวนี้คือมีปัญญามากในการที่จะเห็นสิ่งที่เล็กน้อยอะว่ามีคุณค่ามากจริงๆคือมันไม่ใช่เล็กน้อยไงเขถึงเห็นว่ามันมีคุณค่ามากจริงๆในเช่นศีลคนที่เขามีปัญญาน้อยไม่มีปัญญามากเนี่ยเขาจะไม่เห็นว่าศีลมีคุณค่าอะไรเอ้จะรักษาไปทําไมเขาก็จะไม่เห็นว่า สมาธิมีคุณค่าอะไรทําไมฉันจะต้องไปนั่งไม่นั่งหรอกอไอ้คิดแบงนี้ก็ไม่ได้อะมีปัญญาน้อยแต่ได้เห็นคุณค่าของสมาธิเป็นต้นของศีลเป็นต้นของปัญญาเป็นต้นว่ามันไม่ใช่แค่รักษาเราชาตินี้มันรักษาเราต่อๆไปด้วยอันนี้ก็พูดกันเยอะแล้วไม่ใช่แค่รักษาเราคนเดียวยังรักษาคนอื่นๆไปด้วยเนื่งเรารักษาศีลเนี่ยคนอื่นที่เขาจะได้รับการเบียดเบียนได้รับความเป็นโทสะ เกิดจากเราเนี่ยเขาจะไม่มีก็จะไม่ได้รับเขาก็จะได้รับแต่การไม่เบียดเบียนได้รับแต่เมตตาจิตได้รับแต่ความรักใคร่เอ็นดูจากคนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วคุณของมันไม่ใช่แค่เห็นได้ในชาติปัจจุบันแต่งเห็นได้ในชาติต่อๆไปด้วยไม่ใช่แค่ตัวเราทําดีแล้วเราจะดีคนเดียวด้วยคนอื่นเขายกย่องด้วยอันนี้คือลักษณะของผู้ที่มีปัญญามากไม่ใช่แค่ในเฉพาะ ศีล ส, สมาธิปัญญาเดิมฟังยังเห็นคุณค่าในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติสติปัฏฐานสมปทานอริยสัจสี่อ้อยธรรมะในหมดทุกอย่างถ้าคุณเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านี้นะอันนี้คือเป็นผู้มีปัญญามากล่ะอาศัยอะไ ร, ประเป็นเหตอาศัยอะไ ร, ประเป็นเหตอาศัยการที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะเสียอะไรการที่เรามาคิดว่าเราได้อะไรได้คุณธตามนี้ได้คุณจากตรงนั้น การได้ตรงเนี้ยนี่คือแสดงว่าเป็นคนมีปัญญามากเราจะมาเห็นได้ยังไงตั้งสติขึ้นเอาไว้ตั้งสาาติขึ้นเอาไวา้คนที่เห็นได้นี่เขาเป็นบัณฑิตชาลาดในเรื่องของผัสสะรู้สิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ไม่ควรแต่คนที่เขารู้ดูเนี่ยเขาจะเห็นคนนี้เห็นก็จะได้แต่ว่าถ้าคุณขาดทุนในธุรกิจ อ, อย่างใดอย่างหนึ่งโอ้ยเธอจะมาคิดว่าฉันเสียเงินนะฉันเสียเวลาฉันเสียเพื่อนด้วย มิแต่เสี ย, เ ส, ยเสียเนี่ยอันนี้มีปัญญาน้อยในไห น, ไหนเสียแล้วอ่ะให้ไม่เห็นได้ไหมว่าได้อะไรกลับมาบ้างได้ประสบการณ์ตรงนี้รู้ว่าพลาดพังเป็นอย่างงี้เราต่อไปจะแก้ไขอย่างไรได้รู้ว่าเพื่อนไม่ดีเป็นยังไงได้รู้ว่าเพื่อนดีเป็นยังไงได้รู้จักการใช้ใจ่ายทรัพ์มองให้ถูกมุมในธรรมวั ง, งคือมีความฉลาดมีปัญญาเกิดขึ้นคนที่ตั้งสติไว้ธรรมวั ง, งไม่ใช่ว่าจะมีปัญญามากอย่างเดียว ยังมีปัญญากว้างกวางด้วยคือตั้งสติแล้วใช่ไหมจิตเป็นสงอบอารมณ์เดียวใช่ใชไหมสามารถที่จะกําหนดเห็นทำตามลําดับได้ไม่เข้าไปยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆมันจะเริ่มเห็นมีปัญญาในที่นี้กัปปะเจ้าอธิบายไปในย่อแรกคือเรื่องของมีปัญญามากเรื่อที่สองคือทําให้มีปัญญากว้างกวา ง, วางแต่คือไม่ใช่แค่ในธรรมะหมวดใดบทหนึ่งที่เราเห็นคุณค่าของมัน ยังเห็นคุณค่าในธรรมะอีกหลายๆหมวดกว้างขวางไปไม่ใช่แค่ศีลสมาธิปัญญายังรวมถึงหน่วยเชื่อมไปต่างๆปฏิจจสมุปบาทยังรวมถึงเรื่องของอยัยตนะต่างๆยังรวมถึงเรื่องของบทเพียญชนะรวมถึงเรื่องของอัตตาความหมายรวมถึงเรื่องของภาษารวมถึงเรื่องของการแจกแจงไปในนัยยะต่าง ๆ, างๆและภาษานี่คือนิรุตติแล้วถ้ามีการแจกแจงไปยัง หมวดต่างๆธรรมะต่างๆอันนี้คือเป็นปฏิภัณธ์ไปในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาและายมุตมนี่นแหละมีความกว้างขวางออกไปในธรรมะต่างๆเหล่านี้อันนี้คือเป็นผู้ที่มีปัญญากว้างขวา ง, วา ง, วางทําจิตให้มีสติตั้งเอาไว้จําใจให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงไม่ยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆจเจริญกายาก็ตาสติทำวั ง, งคือการตั้งสติเอาไว้ในกายอย่างที่เรามารู้เราหมาย ใ, ใจเนี่ย นอกจากทำปัญญาให้มากขึ้นทำปัญญาให้กว้างขวางแล้วยังทำปัญญาให้มีความร่าเริงด้วยจิต ท, ที่มีความร่าเริงเนี่ยจำมาฟังมันไม่เหมือนกับว่าความมันความสนุกเฮฮาสีสันในทางหวือหวาวูบนวาบ๊มเวมันไม่ใช่ความร่าเริงบันเทิงใจอย่างนั้นนั่นเป็นในทางกามแต่ถ้าเราพูดถึงความร่าเริงบันเทิงใจ สีสันในทางธรรมะมีไหมมีเพราะว่าถ้าเรารู้ธรรมะไม่ว่าจะเป็นหมวดของศีลไหล่มาเป็นการสรํารวมอินทรีย์การรู้ประมาณในการบริโภคการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นการมีความสันโดษการมีความอยู่เสนาสนะอันสงัดมีสมาธิปัญญาวิมุตติยานรัตสนะแล้วเนี่ยจิตใจมันจะมีความรา่าเริงมีความปีติ มีความยินดีมีความปราโมทมีความเย็นใจอิ่มเอิบใจอยู่ในภายในเห็นอริยสัจสด้วยเห็นอิทธิบาทสด้วยเห็นอินทรีย์ห้าด้วยพละห้าด้วยโพชฌงเจ็ดด้วยอริยมัคมีองแปดด้วยมีธรรมะหมวดต่างๆเหล่านี้แม้มันจะมีความร่าเริงมีความสบายใจมีความอิ่มเอิบใจปีติปราโมทเกิดขึ้นนี่คือกรณีที่ท่านพระอานนท นำคำของพระพุทธเจ้าไปบอกให้ท่านพระคิริมาโนนฟังเนี่ยท่านพระกิริมาโนนฟังธรรมะต่างๆทั้งสิบหมวดโอ้ยใจมีความปีติมีความร่าเริง ม, มีความสบายใจก็หายจากความเจ็บไข้ได้ตามฐานะแต่ความร่าเริงสีสันในธรรมะวินัยเนี้ยมันมีแต่เรานั่งสมาธิหลับตาแล้วแม้ยังเบื่อยังเซง็งแสดงว่ามันมืดละ่ะ มันปัญญาไม่ร่าเริงละปัญญาไม่กว้างขวางทําไม่ถูกอ่ะตั้งสตินี้คือมีสติอยู่ในกายอย่าไปบังคับจิตให้มันต้องร่าเริงสิต้องร่าเริงสิมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคุณเอาเชือกไปขันชนะรัดที่กระมอมของเขาขันอย่างแน่นเลย บ, บังคับเอาสนุกสิสนุกสิหรื อ, อมือบีบคอเขาอยู่เนี่ยบีบคอด้วยมือสองข้างแน่นขมังเลยจนตาจะถลนออกมาแล้ว บอกว่าให้มีความสุขสิให้มีความสุขสิบังคับเขาอย่างเงี้ยมันจะไปได้ได้ยังไงคนเราจะมีความร่าเริงมีความสุขกายสบายใจก็ เ, เกิดจากการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นการบังคับเขาไม่ใช่เป็นการกู่แขนเอาไม่ใช่เป็นการทําด้วยอาทยาบังคับว่าถ้าเธอไม่ทํานะเธอไม่สนุกใช่ไหมฉันจะลงโทษเธอห้ยใครมันจะไปสนุกลงถ้าเธอไม่ร่าเริงเธอไม่ยิ้มเหรอฉันจะฆ่าเธอเอาวุฒิมากูล่ละ ถ้ามีการใช้อาญญา่านยามีการใช้ศาสตร์มันไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าระบบนี้ธรรมะวินัยนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้ถ้าจะบังคับเอาอย่างนี้มันจะไม่ได้แต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติให้ทําอย่างถูกต้องตามระบบคือไม่ใช่ว่าปล่อยปลาละเลยจนไม่สนใจอะไรอะ่ะตามเสียงตามสีคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสีสันมันไม่ใช่นํากับปล่อยเกินไปปล่อยจิตของเราเกินไป เนี่หมือนกับแมงเมาเนี่ยปล่อยตัวปลใช่ใจไปบินตามไปตามแสงเฮ้ยบินเข้ากองไฟก็ไม่รู้ตัวเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟหนะคิดว่ามันจะดีขึ้นมาเองได้ปล่อยมันไปเหอเนื่นนเป็นลักษณะของพ่อแม่รังแกชั้นอีกลูกที่ไหนมันจะมาดีขึ้นไม่ได้ถ้าไม่รู้จักอบรมสั่งสอนแต่การอบรมสั่งสอนนั้นบางทีก็ต้องมีความแตกต่างกันจิตของเราก็เหมือนกันบางทีถ้ามันจะหวือหวาไปในทางที่มันจะบังคับขู่เขน้น เราก็ต้องผ่อนมันบ้างทํามันจะหวือหวาวูบว่าไปในทางที่จะล่องลอยติดตามเผลอเผลนลืมหลงไปเราก็ต้องบังคับมันบ้างซึ่งลักษณะการกระทำตรงนี้เรียกว่าการควบคุมตั้งไว้ภาษาที่บรรดาพุทธเจ้าใช้คือใช้คําว่าชานคือการเพ่งชันเนี่ยคือการเพ่งเหมือนเพ่งคือเอาใจจดใจจ่อคือการที่จะประคับประคองแต่คำว่าเอาใจจดใจจ่อประคับประคองนี้ไม่ได้เป็นการบังคับคือว่า แปลแคําว่าเพ่งใช่ไหมมาในภาษาไทยเนี่ยมันก็มีความหมายถึงการบังคับกูเก้นเอาแต่ตรงนี้ไม่ใช่ในภาษาบาลีภาษาบาลีคําว่าฌานนี้ไม่ได้มีความหมายที่หมายถึงการบังคับแต่จะบังคับกูเก้นเนี่ยเขาจะใช้คําอื่นหรืิ่ดๆปล่อยะละเลยเขาก็จะใช้คําอื่นคำว่าฌานที่เป็นคํากลางๆ่หมายถึงการเอาใจจดใจจ่อแปลตรงตัวภาษาไทยคือคําว่าเพ่งแต่ว่าไม่ได้มีนัยยะของการบังคับอยู่ตรงนั้นแต่เป็นการที่คอยควบคุม ให้จิตมีที่อยู่เหตุผลมันมาคนละแบบกันเหตุผลของการที่เราควบคุมทำให้จิตมาตั้งอยู่ในกายอย่างดีแล้วจะไม่มีความร่าเริงอันนี้เป็นผลของการที่จิตมีสติเป็นผลของการที่จิตนั้นมีปัญญากว้างวาง ม, มีปัญญามากรู้จริงเห็นจริงแล้วมันจะมีความสบายใจอยู่ข้างในมีความสบายใจเย็นใจร่าเริงใจรื่นเริงใจอยู่ในนี้เพราะมีหมวดธรรมต่างๆคิดไปทางไหนดํำริไปทางใด แม้ก็เหมือนกับไปในที่ที่มีสวนสวยงามมีแหล่งน้ํำน่าดูชมมีป่าที่น่ารื่นรมมีหมู่คณะที่น่ารักบร้่ำเรียงกันก็จะมีความเย็นใจสบายใจเรกจากนี้การที่เราตั้งเสตียไว้ในกายนะบ๊อบฟังระลึกถึงลมหายใจของเราอยู่เรื่อยทําอยู่ยังติดต่อไม่ขาดสายทํามาตั้งแต่ก่อนแล้วในอดีตแล้วทําในปัจจุบันด้วยทําอยู่ณบัด น, นี้ด้วย แล้วก็สืบต่อการกระทําของเราไปต่อต่อไปด้วยในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงกําลังจะมาเนี่ยเราก็ทําต่อต่อไปด้วยการที่เราปฏิบัติทั้งอดีตอนาคตและก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาว่องไวตามบุฟังมีปัญญารวดเร็วคําว่ารวดเร็วว่องไวในที่นี้หมายถึงสามารถแล่นไปได้ถ้าในอดีตอนาคตปัจจุบันมีความคิดในอดีตมาพัวพับ แล้วก็สามารถมีปัญญาว่องไวเห็นความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเห็นความที่มันเป็นของเกิดได้ดับได้มีเหตุมีปัจจัยมันเกิดเป็นการเกิดเป็นชาติขึ้นมาแล้วเห็นเหตุคือการเกิดของมันเป็นภาวะเป็นภพเป็นอุปทานก็เห็นความเกิดขึ้นความดับไปอย่างแจ่มชัดทั้งในอดีตในอนาคตและในปัจจุบันเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงของความคิดในอนาคตที่มันจะโผล่ขึ้นมา วันนี้ฉันจะต้องทําอะไรเดี๋ยววันี้ฉันตื่นมาฉันต้องไปไหนคุยกับใครโทรศัพท์หรื อ, อยังบูบาบูบ่บขึ้นๆลงๆงนี้ให้ว่องไวเลยาำวังให้ว่องไวว่องไวในการที่จะเห็นสิ่งนี้ความคิดเหล่านี้อารมณ์สำปัดความรู้สึกเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปรุงแตง่งเป็นของอาศัยกันเกิดขึ้นมีความเสื่อมใบเป็นธรรมดามีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นอยู่อย่างนี้มันจะมีความหน่ายมีความคลายกำหนัดในภาษาที่เราไปรับรู้รับทราบมีความหนายมีความคลายกำหนัดแล้วแล้ววางได้เนี่ยแม้มันจะร่าเริงมันจะบันเทิงใจแล้วไม่ใช่แค่เรื่องความคิดตั้งฟังก็ย้ายผลให้กว้างออกไปอีกในเรื่องของเสียงด้วยขย้ายผลให้กว้างออกไปอีกในเรื่องของทางรถด้วยขย้ายผลให้กว้างออกไปอีก ในเรื่องของทางสัมตัสทางกายรูปเห็นด้วยตากว้างออกไปอีกในเรื่องรูปเบธนาสัญญาสังการวิญญาณในธาตุสขันห้าอิยตนะหกว้างออกไปนี่ปัญญาก็ ก, กว้างขวางขึ้นปัญญาก็ร่าเริงขึ้นมีความว่องไวทั้งแนวเดียวกว่า ป, ปัจจุบันบุคคลที่มีสติตัต้งไว้ในกายท่านผู้ฟังระลึกถึงลงมหายใจอยู่เ ร, รือ่อยๆทำทั้งก่อนหน้านี้ปัจจุบันนี้และเวลาที่มันจะต่อต่อไปถ้ามันมา เห็นทั้งปัจจัตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นทั้งสิ่งที่มากระทบที่เป็นรูปใบหนาสัญญาสังการวิญญาณนอกจากจะทำให้เป็นผู้ที่มีปัญญาว่องไวมีปัญญาร่าเริงมีปัญญากว้างขวางมีปัญญามากแล้วยังทำให้เป็นผู้ที่มีปัญญาคมด้วยความคมของปัญญาโดยฟังถ้าพูดถึงเรื่อ ง, องความคมมันก็คือการตัดนั่นเองการละนั่นเองการตัดการละการสลัดทิ้ง การเวียงไปคว้างไปเนี่ยภาษาบาลีเขาใช้คาว่าประหารอย่างที่เบาพุนจินเขาหยิบไม้คําสั่งขึ้นมาแล้วก็โยนไปบอกประหารเนี่ยโยนไปเนี่ยนะคือลักษณะของการประหารจริงๆคือสลัดทิ้งไปถ่ายถอนออกไม่ให้มันมีหัวติดอยู่กับตัวมันการสลัดทิ้งการสลัดคืนการปล่อยการทําให้บรรเทาการทําให้ไม่ให้มีเหลืออยู่นี่คือกันประหาร ประกานนี้ต้องใช้ปัญญาที่มันคมกริบคมคริบเฉียบแหลมเฉียบคมในอะไรเต็มว่างในอะไรในสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นในกิเลสทั้งหลายราคาโทสาโมหะความคิดทางการพยาบาติเบียดเบียนความตระณีความเป็นมานะความประมาทความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจความดิสยาโอ้ยอะไรชีพาถาที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลาย ต้องประหารมันออกต้องตัดมันออกต้องล้ามมันออกต้องเชื้อมันออกต้องป่ามันออกต้องสลับมันทิ้งต้องให้มันไม่มีอยู่ต้องให้มันไม่มีที่อศัยต้องตัดทิ้งไปเหมือนคอที่จะอยู่กับตัวไม่ได้ถ้าเป็นคนชั่วเหมือนกับสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมจะอยู่ในจิตของเราไม่ได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันต้องออกไปออกไปไม่ใช่บอกเฉยๆมันจะไปหรอกตามฝังมันเหนียวอย่อะไรดีมันหนื่อยอย่างไรดี มันติดแน่นอย่างไรดีอย่างไรนะก็อย่างกับอวิชานั่นแหะอย่างกับตันหานั่นแหละมันเหนียวมันแน่นยิ่งกว่าเชือกป่านเหนียวแน่นยิ่งกว่าตั้งเหนียวของนายปรานเพราะมันติดเกาะมาเนี่ยนะอย่างตั้งเหนียวของนายปรานเนี่ยผ่านไปฝนสองฝนเดี๋ยวมันก็แข็งละมันก็เกาะเหนียวติดไม่ได้แล้วเชือกปานที่มันเหนียวเหนียวทำจากหญ้าทําจากพืชที่มีความเหนียวแน่นอย่างดีเนี่ย เอาไปตากแดดตากฝนดูผ่านไปสักห้าฝนหฝนเนี่ยมันก็จะเริ่มเปื่อยละเริ่มเปลี่ยนสีจางลงจืดลงคุณสมบัติของความเหนียวความที่มันจะเกาะแน่นหนาะมันคงเนี่ยมันก็ลดลงไปลดลงไปอันนี้คือเราว่ามันเหนียวเหนียวแล้วนะมันยังลดลงได้แต่ตัณหากาวิชานะดูกฝังนะมันเหนียวข้ามภพเหนียวข้ามชาติเหนียวข้ามบุคคลท่านที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเหนียวข้ามสัตว์คุณละระเภท เป็นคนยังไปรักหมาได้เป็นหมาก็ยังรักคนได้เป็นเทวดาก็ยังรักสัตว์ได้แล้วมันเหนียวกันข้ามขนาดนี้แล้วมันก็เป็นมานานแล้วด้วยยืดยาวนานตลอดการแล้วก็จะเหนียวข้ามต่อไปอีกความเหนียวของมันนี้จึงต้องใช้ปัญญาที่ข่มกริบในการที่จะตัดมันให้ได้เราจะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นสามในกลางหนึ่งตะบูังคุณตั้งสติเอาไว้ในกายอย่าลืมหลงลมหายใจ เราไม่ใช่จะแผ่วเบาลงไปแผ่วเบาลงไ ป, พ เ, งไปเพราะความที่จิตของเรานั้นเป็นอารมณ์อันเดียวเวลาที่จิตเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่ได้แสบสายฟุ้งซ่านซัดสายไปตามสิ่งต่างๆจิตมันจะรวมลงรวมลงรวมลงจิตที่รวมลงรวมลงเนี่ยสัมผัสที่เข้าไปรับรู้ลมหายใจพื้นที่ตรงนั้นมันก็จะเล็กลงเล็กลงพอเล็กลงแล้วทําไม่เหมือนกับสัมผัส ข, ของลงมหายใจไม่มีเบาบางมากแต่สังเกตดูดีๆมันจะมีอยู่น้อยนิดนึง เอาจิตของเราตั้งไว้ตรงนั้นตั้งไว้ตรงนั้นจิตของเราอยู่ในกายแล้วจิตของเราอยู่ในกายไม่ลืมหลงลงหมหายใจแม้มากก็ตามแม้น้อยก็ตามมีความคิดในอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันมาคุณเห็นวับวบฉับไวชั่วช่วโดยความที่มันเป็นกองไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอันนี้คือมีปัญญาว่องไวมีสิ่งที่เป็นอกุศลโพมาและบางทีทำสมาธิอยู่มันมีความอาพาธมีจิตเรื่องคิดบ้าบอโพมาวับๆ ชั่วๆตัดมันทิ้งด้วยปัญญาที่คมกริบจากสติที่เราตั้งขึ้นเอาไว้เห็นธรรมะมวลนในดๆแม้ม่ใชจชุช่มเย็นมีความร่าเริงนั่นคือเป็นผู้ที่มีปัญญาร่าเริงเราจะทำปัญญาให้มีความคมมีความว่องไวมีความร่าเริงมีความกว้างขวางมีปัญญามากแล้วการที่เราตั้งสติไว้ในกายในบ่ฟังยังทําปัญญาให้มีความหลักแหลมเป็นเรื่องเจาะแทงกิเลส นั่คือแทงมันออกสกัดมันออกไล่มันออกทําให้เจ้าอกุศลธรรมพวกนี้มันออกไปนั่อกไปเนี่ยหมายความว่าปาดคมคมนั่มันก็ออกไปแล้วใช่ไหมแต่มันจะกลับกำเริบอีกหรือไม่ตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสพอปุญญาจึงแยกออกมาอีกอันหนึ่งคือถ้าเราปาดกิเลสออกไปแล้วใช้ปัญญาคมคมสละละเพิกถอนหรือถอนขูดลอกขัดเกลาสิ่งที่มันไม่ดี เอาใบจากใจของเรานี่ถ้ามันยังมีรากของมันอยู่บเรี่ยเหมือนกับต้นไม้นี่นะเราว่าเราตัดมันถึงโคนแล้วเศษใบเศษอะไรต่างๆก็ไม่เห็นเหลือถึงตอมันด้วยเอาดินฝังเอาไว้กลอบเอาไว้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ผ่านไปฤดูฝนหนึ่งสองฤ ด, ดูฝนแต่มันก็งอกขึ้นมาอีกเพราะความที่มันยังมีรากของมันอยู่เพราะฉะนั้นปัญญาคเรื่องเจาะแทงกิเลสในตมวังมันไม่ใช่เจาะเฉพาะกิเลสแทงเฉพาะกิเลส มันยังแทงเข้าไปถึงในวิชามันยังแทงเข้าไปถึงในจิตเทววิชานั้มันแทรกซึมฝังอยู่ให้เราเห็นจิตนั้นวิญญาณนั้นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนโดยความเป็นอนัตตาทำลายกองแห่งโลภะทำลายกองแห่งโทสะทำลายกองแห่งโมหะทำลายกองกิเลสทั้งปวงได้ไม่ให้มันมีที่ตั้งอยู่ไม่ให้มันมีที่เกาะอยู่ไม่ให้มันมีที่ยึดอยู่ไม่ให้มันมีรากอยู่ ด้วยการที่เราตั้งสติขึ้นตําหวังหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เพราะเรารู้มีสติตั้งอยู่อย่างนี้สติที่เกิดขึ้นเป็นสติสัมโพชฌงสติที่เกิดขึ้นใจของเราตั้งไว้ดีแล้วมีประสักษ์ใดๆมาสลัดมันอกนนอกปามันออกนี่คือมีปัญญาคมมีความคิดใดๆผ่านมาในเรื่องอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเห็นโดยความเป็นของไม่เท่โดยความเป็นหนตา นี่คือมีปัญญาไหวทำจิตให้มีความสบายใจมีความเย็นใจโดยสติที่ตั้งขึ้นเอาไว้ไม่เบื่อไม่ขี้เกียจอันนี้คือมีปัญญาร่าเริงเป็นผู้ที่เห็นคุณในคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเรื่องที่ละเอียดไม่ใช่ทุกคนมันจะมายินดีได้ต้องเป็นคนที่เฉพาะมีปัญญามากแต่คนที่มีปัญญามากสามารถเห็นคุณถือเอาคุณที่มันละเอียดๆพวกเนี้เห็นเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นเนื้อเป็นหนัง เป็นสิ่งที่จับต้องได้มีใจเพ่งมาอยู่ตรงนี้อันนี้คือมีปัญญามากมีภาษาได้ได้มากระทบก็กว้างขวางแตกแยกแจกแจงออกไปทางนั้นได้ภาษานั้นได้ในกันทั้งห้านั้นได้ในท่าทั้งสี่นั้นได้อันนี้คือมีปัญญากว้างขวางไม่ทําให้กิเลสนั้นมีที่อยู่อาศัยไม่ทําให้กิเลสนั้นสามารถกลับกำเริบได้อีกแทงทะลุแทงตลอดไปจนถึงอวิชชาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเครื่องจ่อแทงกิเลส มีปัญญาหลักแหลมบุคคลที่เจริญอาณาปานสติผู้จะบอกเจาะจงมาในส่วนที่เราพิจารณาเห็นโดยความเป็นธาตุเป็นกายของเราเป็นธาตุทั้งสี่คือธาตุลมเป็นต้นเนี่เป็นกายนี้เห็นอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ฉลาดในธาตุเป็นผู้ที่ฉลาดในอายตนะเป็นผู้ที่ฉลาดในความเป็นเหตุเป็นผลเป็นผู้ที่ฉลาดในความเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ พูดง่ายๆคือเป็นบัณฑิตนะมรับฟังบุคคลที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุเป็นผู้ฉลาดในอายตนะเป็นผู้ที่ฉลาดในความเกิดขึ้นความดับไปความอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นผู้ที่ฉลาดในสิ่งที่เป็นฐานะและอาฐานะคือเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้เป็นบัณฑิตอย่างนี้แล้วจะทำให้เป็นผู้ที่มีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาว่องไวมีปัญญาคม มีปัญญาเรื่องเจาะแทงกิเลสเรื่องนี้ธรรมบังพระพุทธเจ้ า, ายกตัวอย่างของท่านพระสารีบุตรไว้ว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาราเริงมีปัญญาว่องไวมีปัญญาคมมีปัญญาเรื่องจอะแทงกิเลสเพราะว่าท่านพระสารีบุตรนั้นธรรมบังแม่เป็นผู้ที่มีความฉลาดหลักแหลมในการที่จะเข้าสู่สมาธิในการที่จะออกจากสมาธิ เห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปของสิ่งที่ไม่เคยมีมาและมีมาแล้วไม่เข้าไปยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆเหล่านั้นทำธรรมะเรื่องสลัดออกให้เกิดขึ้นได้มีบรรยายแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าเคยบอกท่านฟังว่าแต่ใครจะดูตัวอย่างจากใครที่จะเรื่องของการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเรื่องของการที่ทําได้อย่างดีนั้นเอาท่านพระสารีบุตรนี่แหละเอาท่านพระมหาโมกขานั้นนี่แหละเป็นตัวอย่าง เรื่องนี้ท่านผู้ฟังาคิดว่าข้าพเจ้าจนนาเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงความที่ท่านพระสารีบุตรสามารถที่จะเข้าสมาธิออกสมาธิแล้วยกย่องท่านในความเป็นผู้ที่มีปัญญามากเอามาใ้ท่านผู้ฟังฟังให้เราปฏิบัติต่อเนื่องท่านผู้ฟังอย่าไปออกมันเลยสมาธิเนี่ยให้คงเอาไว้อยู่อย่างนี้แหละให้มันทําได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาวันละ24ชั่วโมงทําได้เนี่ดีมากเลยนะแต่ถ้าทํายังไม่ได้ เอาเวละสิบนาทีตอนเช้า10นาทีตอนเย็นแต่สินาทีมก็รู้สึกว่าน้อยไปเอาสัก30นาทีตอนที่ฟังรายการธรรมะเนี่ประมาณ30นาทีฟังไปตั้งสติไว้ให้ได้ในในลุกขึ้นมาแล้วแหมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะลุกขึ้นอีกหรือเปล่านอนไปนี่อาจจะไม่ลุกขึ้นอีกเอาตอนนี้ละ่ะมาตั้งสติไว้ระลึกถึงลมหายใจของเราทําอยู่อย่างต่อนเนื่องทําใจให้สบายท่านผังไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรง แต่ให้เป็นผู้ที่มีการควบคุมจิตของเราให้ดีโดยใช้สติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือวันนี้เวลาหมลาเทวะฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูร์อาพิปุนโนจากวัปดวป่าอนัยโศกเจริญพน